พวกเราก็มาทำกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำทรงสอนว่าควรจะเจริญให้มากถึงที่เราควรจะเจริญให้มากก็คือทานศีลภาวนาเพราะได้เป็นเหมือนบันไดที่จะพา ให้เราได้ขึ้นไปสู่ความสูงความดีความสุขที่เลิศเลอที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตัณหาวก ท, ทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าเราทำมากเราก็จะไปถึงเร็วถ้าเราทำน้อยก็จะไปถึงช้าไม่มีใครทำให้มันช้าหรือเร็วได้ นอกจากตัวเราเองตัวเราเป็นผู้เดินทางเป็นผู้เดินขึ้นบันไดบันไดนี้ก็คือมักมักแปลว่าทางบันไดที่จะพาจิตใจให้ก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลาดับขึ้นไปจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทพจากเทพก็ให้ไปเป็นพรหม จากพรมก็ให้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีพระอน า, าคามีและพระอหรหันต์นี่คือชั้นต่างๆที่บันไดคือมักคือทานศีลภาวนาจะพาให้เราไปถ้าเราทาทาน รักษาศีลเราก็จะไปคันเทพชั้นเทพอันเทพก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่ว่าเราทำมากทำน้อยบอยสุดธศีลบริสุดมากบริสุดน้อยทานทำมากทำน้อยอก็จะได้เป็นเทพชั้นต่างๆเหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือเวลาสอบก็จะได้คะแนนต่างๆกัน บางคนก็ได้ที่1บางคนก็ได้ที่สบางคนก็ได้ที่30อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการทันทานในการรักษาศินศินก็สนก็คือสินห้าสำหรับผู้ที่จะไปเป็นเทศทานก็คือการสละทรัพย์เาของต่างๆที่ มีเกินความจําเป็นเกินความต้องการของร่างกาย<ม>เก็บเอาไว้ก็จะเป็นภาระ<ม>เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องคอยวิตกคอยกังวลถ้าสละไปบอยจอากไปแจกจ่ายไปแบ่งปันไปให้แก่ผู้ที่ไม่มีผู้ที่มีน้อยกว่าผู้ที่เดือดร้อน ให้เขาไปแล้วใจก็จะเบาขึ้นใจก็จะมีความสุขขึ้นสีลก็คือสี่ห้าว่าจะรักษาได้ครบทั้งห้าข้อทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือไม่อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดความสูงของจิตใจถ้าสามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะได้ขึ้นไป สู่ชั้นที่สูงถ้ายัางรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างขาดบ้างเกินบ้างอย่างนี้ก็จะไม่ได้ชั้นที่สูงนี่คืออริสส์ที่จะได้รับจากการทาทานรักษาศีลถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ด้วยก็จะเลื่อนจากชั้น เทพขึ้นไปสู่ชั้นพรมชั้นพรมก็มีหลายชั้นเช่นเดียวกันเพราะสมาธิคือความสงบ ก, ก็มีหลายหลายชั้นหลายขั้นด้วยกันมีอยู่เก้าขั้นมีรูปฌปานสี่รูปฌปานสี่และนิโรธสมาบัต นี่คือความสงบของจิตเวลานั่งสมาธิควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้คิดปลุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าควบคุมให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวได้ใจก็จะสงบเข้าไปตามลำดับของกําลังของสติที่คอยควบคุมใจไม่ให วัดไม่ให้เผลอไปคิดไปตรุงแต่ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความสงบก็มีอยู่ถึงเก้าขั้นด้วยกันสี่ขั้นแรกท่านเรียกว่าความสงบของรูปฌานห้าขั้นหลังนี้มีความสงบของอรูปฌานอยู่สี่ขั้นและขั้นสงบที่สูงสุดก็คือนิโรธสมาบัต แต่ความสงบนี้ก็เป็นความสงบที่ขึ้นอยู่กับกำลังของสติถ้ามีสติมีกำลังมากก็จะสงบได้มากสงบได้ลึกถ้าสติมีกำลังน้อยก็จะสงบได้ไม่นานและสงบได้ไม่ลึกดังนั้นถ้าอยากจะได้ความสงบที่นานและลึกก็จำเป็นจะต้องสร้าง สติให้มีกําลังมากสตินี้ก็เป็นเหมือนกับเชือกเชือกที่จะดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเรือถ้าต้องการจะดึงเรือให้จอดนิ่งไม่ให้เรือไหลไปไหนเชือกก็ต้องมีกําลังมากกว่ากําลังของเรือถ้าเชือกมีกําลังอ่อนกว่ากําลังของเรือที่จะไหลไปตามกระแสน้ำเชือกก็ขาดได้ ขอเชือกขับเรือก็ลอยไปเรือก็จะไม่นิ่งใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสติมีกำลังอ่อนใจก็จะไหลลอยไปกับความคิดเปงแต่ตงต่างๆถ้าเชื่อกมีกำลังมากกว่ากำลังของใจที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งจะนิ่งได้นานไม่นานก็อยู่ที่กาลังของเชือกว่าจะ จะาสามารถต้านกำลังของความคิดตรงแต่งได้หรือไม่เขีอยบบางชนิดก็ต้านได้เดียวเดียวแล้วก็ขาดวติบางชนิดสงบได้เดียวเดียวความสงบท่าน็นแยกเป็นสองเรียกว่าคานิกะกับอัปปนาถ้า mm hmm. สงบได้เดียวเดียวก็เรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าสงบได้นาน ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเริ่มจากกานิก่าขึ้นไปหาอัปปนาเพราะการปฏิบัติก็ต้องไล่ขึ้นไปจากสติที่มีกำลังน้อยขึ้นไปสู่ที่สติที่มีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับยกเว้นผู้ที่ได้เจริญสติมาอย่างโชโดนในอดีตชาติแล้ว เวลามานั่งสมาธิใจก็รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาได้และตั้งอยู่ได้นานอย่างนั้นถือว่าเป็นเป็นผลของอการเจริญสมาธิมาในอดีตชาติคือการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําทางก็ดีรักษาสีนก็ดีนั่งสมาธิก็ดีหรือเจริญวิปัสสนาก็ดีนี้ เป็นการกระทำของใจล้วนๆไม่ใช่เป็นการกระทำของร่างกายเวลาร่างกายตายไปการกระทำเหล่านี้จะติดอยู่กับใจพอไปได้ร่างกายใหม่ใจก็จะสามารถทำงานเหล่านี้ต่อได้เลยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่คนที่เคยชอบทาทานแล้วพอมาเกิดใหม่ก็จะชอบทำทานต่อ คนที่ชอบรักษาศีลเคยรักษาศีลมาแล้วก็จะรักษาศีลต่อคนที่เคยนั่งสมาธิมาแล้วก็จะมานั่งสมาธิต่อคนที่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วก็จะมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นของที่เิดมาเป็นวิสัยคู่กับใจเหมือนกับความสนัด การใช้มืออย่างนี้เป็นต้นถ้าเคยตนัดใช้มือขวาพอมาเกิดใหม่ในชาตินี้ก็จะใช้มือขวาต่อถ้าตนัดใช้มือซ้ายก็จะกลับมาใช้มือซ้ายต่ออันนี้เป็นของที่ติดมากับใจคือการกระทาต่ า, างๆนี้จะติดมากับใจทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยถ้า ชอบดื่มสซดาเคยดื่มสซดาเราอยากต่อเนื่อพอมาเกิดในชาตินี้พอมีโอกาสได้ดืบมโซดาก็จะดื่มสซดาทันทีเคยเล่นการพนันพอมีโอกาสได้เล่นการพนันก็จะเล่นทันทีเคยเที่ยวกลางคืนพอมีโอกาสได้เที่ยวกลางคืนก็จะเที่ยวทันทีเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอมีโอกาสก็จะท ำ, ท, ำทันทีเคยรักรักเคยกระพิดตัวเองนี่เคยพูดกุ๊บเยเสพสรายามว่าพอมีโอกาสให้ทำก็จะท ำ, ท, ำทันทีเพราะมันเป็นมิร ส, สัยเป็นความถนัดเหมือนกับการใช้มือขวาหรือมือซ้ายของพวกนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันติดอยู่กับใจ เราถึงเรียกว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาสนั่นเองถ้าทำทาสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปถ้าทำสิ่งที่เป็นคุณต่อผู้อื่นเราก็เรียกว่าบุญนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่ติดอยู่กับใจของของสโลกทุกดวงแต่ นิสัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีิงมฐาวร้อนสามารถเปลี่ยนมันได้ถ้าเราไปเดื่มสุราแล้วเราได้มาพบนักราชหรือว่าเราได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นว่าการเดื่มสุรานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็สามารถเลิกได้ตอนที่เลิกเราก็ต้องใช้ความพยายาม เพราะการที่จะเลิกกระทําสิ่งที่เราเคยชอบทํานี้จะลำบากจะยากจะทำให้เรามีความรู้สึกบงุดหิดรู้สึกไม่สบายใจคนที่เคยเดื่มโชราแล้วเวลาต้องหยุดจากการดื่มโซลานี้จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ามีสถานที่มีบุคคล ที่คอยสอนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต่อสู้กับการอยากดื่มสุราก็สามารถเลิกได้สถานที่ก็คือต้องอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่มีการจาหน่ายสุราห่างไกลจากบุคคลที่ดื่มสุราเช่นมาอยู่วัดคนที่อยากจะเลิกดื่มสุลานี้ ต้องมาอยู่วัดโดยเฉพาะถ้าอยู่ที่วัดป่าวัดเขานี่จะไม่มีคนเดินสุราจะอยู่ห่างไกลจากร้านขายสุรายามาล้เป็นสถานที่สงบไม่มีไม่มีเสียงไม่มีแสงสีเสียงที่เกี่ยวข้องกับสุรามาหลอกรอ่อใหแล้วก็มีคู่ที่อยู่นั้นไม่มีใครเดินสุรา มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าได้อยู่ในแวดวงของบุคคลเหล่านี้<ม>ก็จะไม่มีความทุกข์มากเวลาไม่ได้เดืนสุลาเพราะมีกิจกรรมอื่นมาทดแทนเช่นเวลาอยากดื่นสุลาก็มีการนั่งสมาธิกันเวลาั่งททำสมาธิถ้าใจสงบได้ ความอยากดื่มโซาก็จะถูกลังลับไปแล้วเมื่อความอยากดื่มโซรานี้ไม่ได้รับการตอบสนองไม่งานความอยากดื่มโซรานี้ก็จะหายไปนี่คือเรื่องของอดีไซน์ที่ไม่ดีที่เรียกว่าบาปเราเลิกได้ ถ้าเรายังมีนิสัยเหล่านี้อยู่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้เราต้องพยายามไม่ว่าจะเป็นความโกรธเราก็เลิกได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้เราหายโกรธความโกรธนี้ท่านแสดงว่ามันมาจากความผิดหวังความไม่ได้ดังใจความไม่ได้อะไรตามความอยาก เวลาอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาอยากให้ใครเป็นอะไรทําอะไรแล้วไม่ได้ทาดังใจไม่ได้เป็นดังใจก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะนั้นต้นเหตุของความโกรธนี้ก็เกิดจากความอยากนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่ง น, นั้นอยากได้สิ่ง น, นี้ ถ้าไม่อยากจะโกรธก็หยุดความอยากเสียเอาหลักของธรรมที่ทรงสแสดงไว้ว่าให้ถือความสันโดษความสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเราชื่อที่จุกจิก อยากให้ได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้เกิดความปวดขึ้นมาได้เวลาที่ไม่ได้ดังใจแต่ถ้ายินดีตามนี้ก็ตามเกิดคนนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ ได้สิ่งนั้นมาก็ได้ได้สิ่งนี้มาก็ได้เช่นทำงานให้ทำให้ทางานตาแหน่งไหนก็ทำไปไม่ไม่จู้จี้จุกจิกให้เป็นผู้จัด ก, การก็ได้ใม่เป็นคนเป็นผานโรงก็ได้ถ้าทำใจอย่างนี้แล้วจะไม่มีวันโกรธใครความโกรธนั้นเกิดขึ้นจากความอยาก แล้วก็ความอยากก็เกิดจากความหลงอีกทีและนน่าแง่ของปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นเศรษฐีก็ก็ทุกข์ได้เป็นธรรมรงก็ทุกข์ได้ถ้าไม่รู้จักคำว่าพอถ้าไม่รู้จักคำว่าสันโดษคือไม่รู้จักคำว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่ได้รับพอใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือปัญหาของพวกเราทั้งหลายคือเราไม่รู้ความจริงว่า เราจะสุขได้อย่างแท้จริงนั้นเราต้องทำใจให้เป็นสังดุลให้ได้ให้เราพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสภาพทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดทำใจให้พอเสมอพอใจเสมอยินดีเสมอตอนนี้ร้อนก็ยินดีกับความร้อนเหี๋ยวหนาวก็ยินดีกับความหนาว เดี๋ยวได้คนเขาชมก็ยินดีกับคำชมเดี๋ยวได้ยินเสียงคนเขาด่า ก, ก็ยินดีกับเสียงคนด่าถ้าเรายินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสภาพทุกเวลาเราจะมีความสุขมากอันนี้แหละคือความจริงที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปความจริงอันนี้ว่า เรานี้หลงทางกันเราไปหลงคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขกันแต่ความจริงแล้วเราต้องมีสันโดษมีความพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้เราไม่รู้ว่าเราคือใครนี่ก็เป็นความหลงในการนี้ ความหลงที่สาคัญที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเลยถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย ร, ร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นลุกตาตัวหนึ่งเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เราได้มาเชิด ร, ร่างกายนี้เป็นหุ่นส่วนใจนี้เป็นผู้เชิดหุ่นตัวนี้เป็นผู้สั่งการหุ่นตัวนี้ให้ทำอะไรต่างๆให้มา ให้มาที่นี่ก็เป็นใจเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายมาที่นี conclude. ่สั่งให้ร่างกายมาทาบุญสั่งให้ร่างกายมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้สั่งร่างกายไม่ใช่เป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคาสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าอใจเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องตายนี่คือความจริงที่เราไม่รู้กันเราหลงกันเราหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไม่รู้ว่าเรามีใจที่ต่างจากร่างกายเราเป็นเหมือนสาวแฝดเรามีสองคนอยู่เรามีตัวจริงกับตัวแทนร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเรา ตัวจริงก็คือใจที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทนก็เพราะว่าใจเราไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตากปล่าเราต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทนครับตอนนี้เราเอาร่างกายมาเป็นตัวแทนของใจเราเราทำอะไรกับใครติดต่อธุระอะไรกับใครเราใช้ร่างกายนี้เป็นตัวแทนตัวติดต่อกัน แต่บางเวลาในสมัยนี้เราสามารถใช้อยากอื่นแทนร่างกายได้เช่นเราอยู่ห่างไกลกันเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันได้ผู้ที่ติดต่อการ น, นี้ไม่ใช่ร่างกายติดต่อกันเป็นใจเป็นผู้ติดต่อกันเพราะใจนี้เป็นผู้คิดเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆใจสั่งผ่านทางร่างกาย ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีกทีหนึ่งเพื่อไปถึงโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งเพื่อไปถึงหูของร่างกายอีกร่างหนึ่งเพื่อไปถึงใจอีกใจหนึ่งใจติดต่อกันผ่านต้องสขั้นตอน4ีสี่ขั้นจับจากใจไปสู่ร่างกายจากร่างกายไปสู่โทรศัพท์จากโทรศัพท์ไปสู่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไปสู่ร่างกายอีกร่างหนึ่ง จากร่างกายร่างหนึ่งไปถึงใจ อ, อกใจที่เราติดต่อกันนี้ก็คือใจติดต่อใจแต่เราไม่มีความสามารถที่จะติดต่อใจกับใจได้โดยตรงเราก็เลยต้องใช้ร่างกายถ้าอยู่ใกล้กันเราก็ใช้ร่างกายต่อร่างกายติดต่อกันถ้าอยู่ไกลร่างกายไม่สามารถติดต่อกับร่างกายไนดะ้เราก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันถึง นั้นเราต้องมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทวารสอบอีกเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองตัวเราไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราเป็นใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดนี่แหละคือใจเองแต่ว่าใจมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็นเหมือนความว่าที่มีอยู่รอบตัวเราอันนี้แหละเป็นเหมือนเป็นเหมือนใจว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ไม่มีผ้าไม่มีใจร่างกายนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถรับรู้อะไรได้เช่นเวลาคนตายไปแล้วตอนนั้นร่างกายไม่มีใจรับรู้รับผิดชอบไม่มีใจคอยเชิดคอยสั่งให้ทำอะไรต่างๆไปพูดกับคนตายพูดจนวันตายก็ไม่มีไม่มีการรับรู้ไม่มีการตอบ ถามปัญหาก็ตอบไม่ได้หิเข้าไหมลองไปถามคนตายดอว่าหิเข้าไหมเจ็บไหมปวดไหมจะไม่มีคำตอบจากคนตายเพราะคนตายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี้ไม่สามารถตอบเราได้ถ้าไม่มีคนที่รับสายอยู่อีกอี ก, อ ก, อกเครื่องหนึง่งเราจะพูดจากโทรศัพท์มือถือได้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับสาย อยู่อี ก, อกทางเราพูดเข้าไปในโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะพูดตอบกลับมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือความหลงที่พวกเราไม่รู้กันความหลงนี่แหละที่ทําให้เราต้องทุกข์ทรมานแใจว่าเมื่อเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็เกิดความผูกพัน เกิดความยึดติดเกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดเพราะเราไม่อยากตายไม่มีใครอยากตาย<ม>เราอยากจะอยู่ไปตลอดซึ่งความจริงเราก็อยู่ไปตลอดแล้วแต่เราไม่รู้เอง<ม>แต่เราไม่อยู่ตลอดใน้าพของร่างกายเราอยู่ตลอดในภาของใจพอถ้าร่างกายตายไปใจที่ไม่ตายใจก็ยังอยู่ต่อ อยู่ในสภาพไหนเท่านั้นเองอยู่ในสภาพที่มีความสุข mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นเทพ mm hmm. เป็นพรมไปถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ก็เป็นเปรต mm hmm. เป็นนรกไปจนกว่าจะได้กลับมาได้ร่างกายอันใหม่อีกทีพอกลับมาได้ร่างกายใหม่ก็มาหลงคิดว่าร่างกายใหม่นี้เป็นตัวเราอีกแล้วก็ mm hmm. เกิดความอยาก ให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดอยากไม่ให้ร่างก า, า ย, ยากากาตา ย, ตายเพราะเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนกับมีที่จะทิมแทงใจเราทุกครั้งที่เรามีความอยากเราจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีหดหดลำคางใจ กวนกระวายกระสักระสายกินไม่ได้นอนไม่ลันอยากจะให้ได้ดังใจเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันจะสั่นไปหมดอันนี้แหละคือปัญหาที่แท้จริงของใจก็คือความอยากนี่แล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความหลงถ้าเราไม่หลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้ ว, ลวเราจะได้ เราจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายจะตายไปเราจะไม่ทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายเลยเพราะเราไม่ได้มีความอยากเหมือนกับเรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักนี่เวลาเขาตายไปเราไม่ทุกข์เลยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ทุกข์เลย เวลาเขาแก่เขาไม่ทุกข์เลเพราะเราไม่ได้เป็นหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเราเป็นหลงคิดว่าเป็นของเราเช่นเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อแม่เราเป็นลูกเราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราพอไปคิดอย่างนี้เวลาเขาเป็นอะไรก็ทุกข์ไปกับเขาได้แต่ความทุกข์ใจได้เพราะเราไม่อยากให้เขาเป็น เพรา้นเราต้องแก้ความหลงนี้ให้ได้คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวใครทั้งนั้นเป็นตัวแทนทั้งนั้นเป็นตัวเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาที่ใจของแต่ละดวงของแต่ละคนนี้ใช้เป็นเครื่องมือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือดีๆนีเ่เราสามารถบองร่างกายนี้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึงก็ได้เวลาร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับเสีย เสียโทรศัพท์มือถือไปเครื่องเลแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่มาแทนได้ร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่ได้อยจะกลับมาเกิดได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าหรือไม่กขึ้นอยู่กับว่าเราจะสมเงินไว้มากน้อยเท่ไหรเงินที่จะซื้อร่างกายนี้ก็คือบุญส่วนเงินที่จะซื้ อ, อโทรศัพท์มือถือก็เงินชาที่เรามีอยู่ตรง น, นี้ถ้าเรา โทรศัพท์เครื่องเก่าเสียไปหลือหายไปถ้าเรามีเงินมากเราก็จะซื้อเครื่องใหม่ที่ดีกว่าเครื่องเก่าได้อย่างถ้าเรามีเงินน้อยเราก็อาจจะซื้อเครื่องที่ไม่ดีเท่ากับเครื่องเก่าก็ได้อยู่ที่ฐ า, านะการเงินของเราการที่เราจะได้ร่างกายใหม่นี้ที่จะดีกว่าเก่า <C oughs> ที่จะดีกว่าเก่าหรือไม่ดีกว่าเก่าหรือแย่กว่าเก่า ก็อยู่ฐานะบุญของเราเรามีบุญมากหรือมีบุญน้อยมีบาปมากหรือมีบาปน้อยถ้ามีบาปมากกว่าบุญนี่เราก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานไปก่อนได้ร่างกายของนกของแมวของสุนัขของวัวของควายไปก่อนจนกว่าบุญจะมีมากอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การทำบุญอยู่ที่การละบาปเนื่องจาก เราอยากจะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าเราก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเง um ินฝากมากกว่ามีหนี้ถ้ามีหนี้มากกว่าเงินฝากเราก็จะไม่สามารถที่จะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้แต่ถ้าเรามีเงินฝากมากกว่ามีหนี้เราก็จะมีเงินเหลือที่จะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าได้อันนี้ก็ พูดเปรียบเทียบให้ฟังให้รู้ว่าการเวียนว่าตายเกิดของเราที่ขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำๆนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปแล้วความทุกข์ของเราที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี้เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากความอยากเกิดจากความลง่ ไปหลงในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราแล้วก็ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นอย่างไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาด้วยการทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไท แม้แต่ของพระพระเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกันหมดร่างกายของคนทุกคนนี้เหมือนกันหมดทำมาจากสิ่งเดียวกันทำมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการสาหิสองเหมือนกันมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีม้ามีหัวใจมีตามีไตมีลำไส้มีปอดมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำสร็ดมีน้ำเหงือมีน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหนียวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำน้ำมูดนี่คืออาการส2องของร่างตายของทุกๆคนเหมือนกันหมดมีแล้วก็มีเกิดแก่เจ็บตายเวลาตายไปก็ แยกกันกลับคืนสู่ภาตเดิมดินก็ไปสู่ส่วนดินน้ำก็ไปสู่ส่วนน้ำลมก็ไปสู่ส่วนไฟอนลมก็ไปสู่ส่วนลมไฟก็ไปสู่ส่วนลมแยกกันไปนี่คือความจริงที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับร่างกายให้มากๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราต้อง ศึกษาให้รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ําลมไฟข้าวก็มาจากดินน้ําลมไฟผักก็มาจากดินน้ําลมไฟผลไม้ต่างๆก็มาจากดินน้ําลมไฟเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆก็ต้องมีกินผักกินอะไรเพ่งใจ เป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้ำลมไฟเมื่อบรรลมตัวกันก็กลายเป็นอาการสามสิบสองไปกลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บไปพอแยกกันก็พอถึงเวลาที่จะแยกกันก็แยกกันไปน้ำก็ไปทางหนึ่งเวลาคนตายมีน้าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวน้าก็ไหลออกมาไฟก็ออกไปแล้ว ร่างกายนี้ร่างกายของคนตายนี่ประจับดูมันไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนตป็นลมกระรเอยออกมาเรื่อยๆก็คือกลิ่นที่เราได้รับกลิ่นของร่างกายที่ระเอือออกาปล่อยไปนานๆเข้าก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราอยู่ในนั้น เราอยากจะรู้ว่าเรายึดติด ก, กับร่างกายหรือไม่ต้องดูที่ใจของเราตรงนหลถ้าเรายังทุกกับร่างกายแสดงว่าเรายังหลงเร า, เรายังยึดติดอยู่แต่ถ้าเราไม่ทุกกับร่างกายก็แสดงว่าเราฉลาดเรารู้ทันเราไม่หลงแล้วเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเช่เวลาร่างกายแก่เราไม่ทุกกับความแก่ของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่ไปทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายเวลาร่างกายตายเราไม่ทุกกับความตายของร่างกายใจเราเฉยใจเราเป็นสันโดษพอใจอยู่เสมอพอใจกับความแก่พอใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพอใจกับความตายของร่างกายนี่แหละคือการมีปัญญาการที่จะแก้ความหลงต้องแก้แบบนี้ และการที่จะรู้ว่าเราแก้ได้หรื อ, อยังก็ดูที่ใจของเราว่าใจของเรายังทุกอยู่กับร่างกายหรือไม่ถ้าเรายังทุกอยู่กับร่างกายก็แสดงว่ายังหลงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นร่างกายในสภาพต่างๆก็ตามแต่ตอนที่เราเห็นนั้นมันเป็นสภาพยังเป็นเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นเวลานั่งสมาธิแล้ว เ, เราพิจารณา ปัญญาเราก็จะเห็นว่าอร่างกายเป็นอย่างที่ได้แสดงไว้นี้เยอะขณะที่เราฟังอยู่ตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังเราก็รู้ว่าเออร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่พอถึงเวลาเกิดปวดท้องขึ้นมานี่ใจเราเป็นยังไงใจเราวุ่นวายหรือเปล่าเวลาปวดศีรษขึ้นมานี้ใจเราวุ่นวายหรือเปล่าเวลาเห็นผมหลอกขึ้นมานี่ใจเราวุ่นวายหรือเปล่า นี่คือข้อทดสอบของเราถ้าอยากจะรู้ว่าเรารู้จริงเห็นจริงหรือไม่เราปล่อยวางได้จริงหรือไม่เราไม่หลงแล้วหรือไม่ก็ต้องดูที่ใจเปานหลักเวลาใดที่ใจยังมีความทุกข์อยู่นี่แสดงว่ายังมีความหลงอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเวลานั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นนู่นเห็นนี่นั้นไม่ได้จำเป็นว่าจะหมายความว่าบรลุแล้วเห็นแล้วหาย หพ้นจากความทุกข์แล้วเวลาออกจากการนั่งเวลามาเจอเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละจะเป็นตัววัดดูว่าเราบรรลุจริงหรือไม่ <c oughs> เวลาเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เฉื่ยพภัยต่อความเป็นความตายใจเราหวั่นไหวหรือปั่นใจเราสงบนิ่งหรือไม่ด้วยใจเรายังวุ่นวายอันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่า เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แตอย่างไม่ใช่ในขณะที่เรานั่งอยู่ในสมนาธิคนเดียวอยู่ในห้องอย่างนี้เพราะอันนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนั่นึองต้องรอดูเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายใกล้จะตายอย่างนี้เช่นเวลาไปหาหมอไปตรวจโรคแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคาะไร จะมีเวลาอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหรือหกเดือนตอนนั้นดูซิว่าใจเป็นอย่างไรใจตื่นเต้นตกใจวุ่นวายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไปหรือว่า เ, ยเฉยๆหรือว่ารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้พิจารณามาอยู่ตลอดเวลารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไป นี่คือผู้รู้จริงจะต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างไม่สะบัดสะทานรู้อย่างไม่เดือดร้อนรู้อย่างไม่หวั่นไหวอันนี้แหละคือเรื่องของการมาทำบุญทำทานมารักษาสิมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้ใจของเราเข้าสู่ความเป็นสันโดษที่แท้จริงถ้าคืใจยินดีกับทุกสภาพ ไม่ว่าจะเป็นสภาพใดกับใครกัจานกับร่างกายของใครกัจานของคนที่เรารู้จักของคนที่เรารักเช่นบิดามารดาปุยญาปายญ า, าสนิทนิสายสามีภรรยาบุตรธิดาเราต้องเห็นว่าร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันหมดเป็นทุกตาเท่านั้นเองเป็นดินน้ำลมใส่ไม่มีตัวตนตัวตนนั้นอยู่ในใจ ตัวที่สั่งให้ร่างกายเป็นนั่นเป็นนี่ทํานั่นทํา น, น, นี่ น, นั้นไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปจากร่างกายเวลาก็ตายไปแสงที่เราจะ models, ทึ้เรากลับที่ว่าดีแล้วดีกว่าทรมานนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนๆ อ, อยู่ไปทไําไมทิ้งมันไปดีกว่าไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไม่ดีกว่าเลยใช้มือถือเครื่องเก่าทำไมใช้ได้โทรได้บ้างโทรไม่ได้บ้างเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ดีกว่า ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือมันไม่ใช่ตัวเราเราก็เปลี่ยนมันทันทีจะไปเสียดายมันทำไมไปห่วงมันไว้ทาไมของที่มันใช้ไม่ได้สมบูรณ์แล้วเมื่อถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไปคนที่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วจะไปอย่างสบายจะตายอย่างสบายจะเจ็บอย่างสบายที่สบายนี้ก็หมายถึงใจไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเจ็บก็ปล่อยนั้นเจ็บไปความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่มีกําลังมากเท่ากับความสบายความสุดของใจถ้าใจมีความสุดแล้วความเจ็บของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าร่างกายสบายแต่ใจเจ็บแล้วความสบายของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปกดความไม่สบายของใจได้เพราะใจความไม่สบายใจหรือความสบายใจของใจนี้ มันมีน้ำหนักที่มากกว่าเป็นหลายหลายสิบเท่ากับน้ำหนักของความสบายหรือไม่สบายของร่างกายดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปหลงกับการรอบดูรักษาร่างกายมากจนเกินไปเพราะรักษาอย่างไงมันก็ไม่สามารถที่จะไประงับความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่ดีเราควรที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจ มากับการดูแลรักษาใจของเราดีกว่าวิธีดูแลก็คือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทํากันที่พวกเรากําลังกระทํากันอยู่ในเวลานี้นั่นเองก็คือทํรทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสัมมัถ์ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมมถ์ก็คือทําใจให้สงบก่อนที่จะวิปัสสนาได้ใจต้องสงบก่อน ถ้าใจไม่สงบจะไม่มีกำลังสู้กับความจริงจะไม่มีกำลังรับความจริงได้จะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความหลงได้ความหลงจะหลอกให้เราเห็นกับตาเราปักให้เราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราให้เห็นว่าจะอยู่กับเราไปนานๆให้เราเห็นว่าเป็นเป็นสุขแต่ถ้าเรามีสมถะภาวนาแล้วมีความสงบแล้วใจจะ จะสามารถรับคำสอนที่พระเจ้าทรงเห็นได้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเนี่ยต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งสมถะและมีวิปัสสนาถ้าไม่ปฏิบัติสมถะก่อนไม่เจริญสมาธิก่อนไปเจริญปรรัญญาก็จะเป็นปัญญาปลอมไปไม่ใช่เป็นปัญญาจริง เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็วุ่นวายไปหมดเวลาใกล้าตายก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เวลาแก่ก็วุ่นวายใจปัญญาที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญญาจริงอันนี้เป็นปัญญาที่จะนําไปสู่ปัญญาจริงทีก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติต้องจเจริญสมถะภาวนาก่ ต้องทำใจให้สงบก่อนพอทาใจให้สงบได้แล้วทีนี้เอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้มาสอนใจใจก็จะรับได้เวลาแก่ใจก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บท่ายได้ป่วยใจก็จะไม่เดือดร้อนเวลาตายใจก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนก็แสดงว่ามีปัญญาจริงอันนั้นถึงจะเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงต้องปัญญาที่เกิด กับในเหตุการณ์จริงเกิกับเวลาแก่จริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเวลาตายจริงๆนี่คือสิ่งที่เราควรทําเจริญให้มากคือมัก๊กมั๊กก็คือทานศีลภาวนาเพราะว่าเมื่อเรามีมั๊กแล้วเราจะมีกําลังที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนนี้ที่คอยชิ่นแทงใจเรานั่นเอง เราก็สามารถถอดถอนนิสิต่างๆที่อยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้ระงับความอยากต่างๆอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีอยู่ในใจเราใจเราก็จะเป็นสันโดษขึ้นมายินดีตามมีตามเกิดพอใจตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจได้รับคำชมก็พอใจได้รับคำด่าก็พอใจ ได้รับรางวัลก็พอใจได้รับการลงโทษก็พอใจถ้ามันจะเกิดเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปพอใจกับความแก่พอใจกับความเจ็บไข้ได้ปวดพอใจกับความตายพอใจกับอากาศที่ร้อนอยู่ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องไปหาเครื่อง ป, ปรับอากาศไม่ต้องไปหาพัดลมให้มันยุ่งยากไปเปลาติดพัดลมติดเครื่อง ป, ปรับอากาศในใจเราดีกว่า ก็คือความสั่นโดนนี้เองถ้าเรามีสันโดนแก็เท่ากับมีเครื่องปรับอากาศภายในใจใจเย็นแล้วดีกว่าร่างกายเย็นร่างกายเย็นแต่ถ้าใจร้อนอยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่ความร้อนของใจนี่มันรุนแางกว่าความร้อนของทางร่างกายดัง น, นั้นขอให้เราเห็นความสาคัญของการรักษาใจดูแลใจให้มีแต่ความเย็นให้มีแต่ความสงบ ให้มีแต่ความสุขด้วยการปฏิบัติการที่พทะเจ้าทรงสั่งสอนอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญสำคัญหรือวันที่เราว่างจากภารกิจการเงินทั้งนั้นความจริงเราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันเพราะเรามีเวลาว่างพอที่จะทำทานมีเวลาพอที่จะรักษาศีลมีเวลาพอที่จะภาวนาทาใจให้สงบได้ เราไม่ทํากันเท่านั้นเองเราเอาเอาเวลาไปทําให้ใจเราวุ่นวายไปกันเสียมากกว่าไปดูหนังไปฟังเพลงไปดื่มสุรายาเมาไปเที่ยวการสถานที่ต่างๆนี่เป็นการทําใจให้เราวุ่นวายทาใจให้เราไม่สบายใจเพราะเราทําตามความอยากนั่นเองแต่การทํากรบการกระทำกลางของพระเจ้านี้เป็นงานกระทํา ท, ที่หยุดความอยาก เหมือนกับถอนนี้ที่ทิ่มแทงหัวใจของเราให้ออกไปจากใจของเราทำได้มากเท่าไหร่ควาสมสงบความสุขความสบายใจก็มียิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นไม่มีใครทำให้เราได้เราจะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าอยู่ที่การกระทาของเราทำมากก็จะได้มากได้เร็วทำน้อยก็จะได้น้อยได้ช้าดัางนั้น เราควรที่จะทำให้มากเพราะว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนเวลาที่เราจะทำนี้มันไม่รู้ว่าจะมีต่อไปได้อีกนานหรือไม่นานตอนนี้มีเวลารีบทำเสียน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะถ้าเกิดน้ำลดไปแล้วจะตักก็ไม่มีน้ำให้ตักเพราะถ้าตายไปแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็ขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านแนะนำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่า น, นี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามไว้ต่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้หรือถ้าใครต้องการจะมารับหนังสือรับแผ่นซีดี ลื้อนำเอาข้าของมาหวาให้มาประเคนก็นำมาเข้ามาได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมเรียนถามการปฏิบัติอะไรนะครับยถามพระอาจารย์อะไรนะครับไม่ต้องอายครับเข้ามาใกล้ๆ ก, กันนะ อาจารย์ครับถ้ามันขี้เกียจปฏิบัติมีอะไรที่มันจะชักนําให้เราขยันขยันมันงครับมันมีแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ทํามันก็ไม่ทําอยู่ดี ก, ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยให้เราคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วตายไปแล้วเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ให้เรามองให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนการขุดทองนีเป็นของที่มีคุณค่าราคามากกว่าทองในโลกนี้เพราะธรรมะนี่เป็นสมบัติที่เราเอาติดไปกับเราได้เราจะไปดีหรือไปไม่ดีไปสบายหรือไปไม่สบายก็อยู่กับการขุดทองของเราในปัจจุบันนี้ การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัตินี้จะทำให้เรามีทรัพย์ติดตัวไปกับเราเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไปแบบตนขอทานไปตายแล้วก็ต้องมาคอยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ที่เขาทำบุญให้กับเราถ้าเขาไม่ได้ทำเราวันนั้นก็อด ถ้าวันไหนก็ททำวันนั้นเราก็ได้เป็นเหมือนขอทานแต่ถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะไปเป็นแบบเป็นเศรษฐีไปมีทรัพย์สิทิตัวไปอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปที่ไหนก็ไปได้ให้เราคิดอย่างนี้ว่าว่าเวลามันมีแต่จะค่อยๆหมดไป อาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันดีคืนดีอาจจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภพเป็นอมภ่าทำอะไรไม่ได้หรือตายไปอย่างกระทันหันตายไปแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้แล้ ว, ลวต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปจนกว่าจะหมดผลบุญหมดผลบาปแล้วถึงจะกลับมาเกิดใหม่ กลมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าเพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลานานาจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาที่เราจุดจุดไม่ขีดอย่างนี้ไม่ขีดมันก็จะจุดแล้วมันก็จะดับไปไม่นานมันก็ดับไปไม่ถึงนาทีหนึ่ง เนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนเวลาที่เราจุดไม้กิ่ง น, นานาจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วการที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาได้เจอเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่ทั้งต่อไปนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบอีกหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามีศาสนาอื่นก็จะสอนได้เพียงให้ไปถึงสวรรค์ชั้นผงเท่านั้นอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประเดออกบวช น, นี้ตอนนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครรู้จากทางที่จะพาไปสู่การชิ้นสุดของการเ ย, ยว่าหตายเกิด พระพุทธเจ้าเลยต้องหาทางเองถ้าไม่เป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีความสามารถที่จะค้นพบทางที่พาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเลงก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้อาศัยเป็นแผนที่เป็นผู้นำทางตอนนี้พวกเรามีโชคมีวาสน า, ม, ามีแผนที่เป็นผู้มีผู้นำทาง ที่จะพาเราไปสู่ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ขุมทรัพย์ที่เราจะกินแบบกินแบบไม่มีวันหมดใช้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดก็คือปาลังสุขขังนิบานังปามังสุขขังนี้นิพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะได้สมบัติที่มีวันหมด พรมาสมบัติก็มีวันเสื่อมหมดไปเทวสมบัติก็มีวันเสื่อมหมดไปเมื่อเสื่อมจากพรมาสมบัติเสื่อมจากเทวสมบัติก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหมต่ต้องมาขุดทองใหม่มาสร้างใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะขุดได้แต่สมบัติที่ไม่ถาวรได้พรมาสมบัติได้เทวสมบัติไปเท่า น, นั้นเองก็จะเวียนร่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย มีหมายถึงคนที่ใฝ่บุญไฝ่กุศลนะแต่ถ้าเกิดไม่ใฝ่บุญไฝ่กุศลชอบกินเหล้าชอบเล่นการพานันชอบเที่ยวกลางคืนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงพวกนี้ก็ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกให้เกิดเป็นเดรัจฉานพร้อมหมดจากบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มา ทำบาปทำก ร, รมใหม่มาเดินสุรามาเล่นการพนันมาเที่ยวกลางคืนมาคบคนชั่วเป็นมิตรมามีความเกียดข้านใหม่ความเกลียดข้านนี่แหละเป็นตัวที่จะชุดลากให้เราลงไปอบาย ถ, าถ้าเวลาขี้เกียดก็ให้นึกถึงคําสอนของพระเจ้าว่าความเกียดข้านนี้เป็นเหตุที่จะพาไปสู่อบายเพราะว่าเป็นอบายามุกนั่นเองอบายามุกนี่มีอยู่ห้าตัวด้วยกันก็คือการ ดื่มสุรายาเมวการเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นนิตรและความเกียจคร้านถ้าเราไม่อยากจะไปอบ า, ายเราต้องฆ่าตัวความเกียจคร้านนี้ให้ได้ฆ่าอบ า, ายยมุขทั้งหลายให้ได้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปดื่มสุราอย่าไปเล่นการพ น, นันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนชั่วเป็นนิตร คนชั่วก็คือคนที่ชอบเล่นการพนันเที่ยวสัางคืนนี่ยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรนี้คนเกลียดค้านอย่าไปคบกับคนพวกนี้อย่าให้มีความเกลียดชังอยู่ในตัวของเราต้องกําจัดมันต้องรังเกียจมันเหมือนกับเป็นเชื้อ HIV อย่าให้มันติดเข้ามาในร่างกายของเราเพราะว่าถ้ามันมีแล้วมีแต่จะตายรูปเดียวคนติดเชื้อ HIV นี้ มีแต่จะต้องตายหรือแต่ว่าสมัยนี้เริ่มมียาที่จะมาพอที่จะมาช่วยไม่ให้ตายแบบทันทีทันใดได้แต่ก็ยังอยู่แบบต้องกินยาไปตลอดถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่มีความเกียดค้านหรือให้คิดว่าอัตตาเหีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครทําแทนเราได้เหมือนกับกินข้าวถ้าเราไม่กินเราก็ไม่มีวันที่จะอิ่มได้เราอยากจะอดข้าวแล้วเราอยากจะกินข้าวเราอยากจะหิวข้าวแล้วรอยากเราอยากจะอิ่มเราอยากจะอิ่มก็ต้องพยายามกินเข้าไปถึงแม้วันไหนไม่อยากจะกินก็ยังบังคับให้กินเลยเพราะรู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันหิวก็ให้คิดว่าถ้าเราขี้เกียจปฏิบัติเราก็จะต้องทุกข์ในเร่งนี้ เราก็จะได้เกิดความเพียรขึ้นมาเกิดความขยัน life life ขึ้นมาเราไม่มีกระถามอะไรก็จะให้พรก่อนนะเรามีนะ คือบางทีมันมีความคิดอกุศลแป๊บแปบขึ้นมาคือไม่ได้คิดด้วยตัวเองไม่ได้คิดแต่อยู่ดีมันก็พลึบขึ้นมาของมันเองก็พยายามจะกดพยายามจะตัดมันไปมันก็ยังจะพัดพัดไปเรื่ยๆก็ต้อ ง, องฝึกเจริญสติไว้ให้มากๆเพราะถ้ามีสติแล้วจะคุมความคิดต่างๆได้เช่นถ้าเราบริกรมกรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ ความคิดต่างๆก็จะไม่เกิดทั้งกุศลและอกุศลตอนต้นนี้เราต้องระ ง, งับความคิดต่างๆให้หมดทั้งกุศลและอกุศลแต่ส่วนใหญ่แล้วความคิดของเราก็มักจะไปทางากุศลอยู่แล้วดังนั้นการระ ง, งับความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธนี้เป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดเพราะว่าจะทําให้ความคิดต่างๆนั้นมันเบาบางลงไปจนในที่สุดเราสามารถหยุดมันได้ พอเราหยุดได้แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะสั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้คิดไปในทางกุศลได้หรือเวลาที่มันเกิดอกุศลขึ้นมาเราก็สามารถดึงมันให้คิดไปในทางกุศลได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดของเราเราจึงไม่ควรจเจริญปัญญาในตอนนี้เพราะมันไม่เป็นปัญญามันจะเป็นปัญญาตอนตอน้นแล้วพอตอนปลายมันก็จะกลายเป็น กายเป็นอวิชชากลายเป็นกิเลสไปให้เจริญสติก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนสามารถหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วสำได้แล้วให้คิดไปในทางดีได้ทีนี้เราก็คิดไปในทางที่ดีจิงต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาได้ถึงจะสอนใจให้คิดไปในทางไตรักได้หรือให้คิดไปในทางอนิจจ์ทุกข์องอนัตตาได้ ถ้ายังไม่มีสมาธินี้จะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่คิดได้เพียงสองสามนาทีหรือไม่ถึงเดี๋ยวมันไปคิดทางอื่นแทนแเดี๋ยวก็เป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราสามารถสอนให้ใจคิดไปในทางกุศลได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรา สอนแล้วมันไม่ยอมไปก็สแสดงว่าสมาธิเราหมดกำลังเราก็ต้องหยุดแล้วเรากลับมาทำสมาธิใหม่เหมือนมาฉาดชาิแบบใหม่เพราะว่าเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆใจมันก็อ่อนกำลังลงได้สมาธิก็อ่อนกำลังลงได้พอมันไม่คิดไปในทางตายรักแล้วมันเริ่มไปคิดไปในทางโลกแล้วเราก็ต้องหยุดหนึ่งแล้วก็กลับมาทำสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่ พอใจสงบแล้วค่อยๆออกมาแล้วก็สั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาใหม่คิดไปในทางกุศลใหม่ทำอย่านี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะคิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆจนใจนี่จะหมุนไปเป็นปัญญาแบบอตัตโนมัติอย่างที่หลวงตาท่านเทศว่าถ้าปฏิบัติจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปปัญญานี่มันจะกลายเป็นอตนัตโนมัติไปมันจะคิดแต่ทางปัญญา แต่ตอนต้นนี่มันจะล้มลุกคกกันาคิดได้บ้างไม่คิดบ้างเพราะตอนนั้นมันยังเหมือนเด็กอยู่แต่ถ้าสอนมันอยู่เรื่อยๆฝึกมันอยู่เรื่อยๆให้มันคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันเห็นผลดีที่เกิดจากการคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางกุศลคิดไปในทางปล่อยวางมันก็จะมีศรัทธามากขึ้นมีความยินดีที่จะคิดไปในทางปัญญามากขึ้น จนในที่สุดมันจะคิดแต่ทางปัญญาอย่างเดียวเห็นอะไรก็จะเห็นเป็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นอสุภะทันทีเห็นคนนี้จะไม่เห็นว่าสุภะนะเห็นดาราภาพยนต์เห็นติดอยู่บนปกหน้าของนิตยาสารมันก็ยังเห็นกลายเป็นสุภะได้ต่อหน้าต่อตาถ้ามันคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นแต่อสุภะเท่านั้นเพราะมันมีอยู่เพียงแต่ถูก ผิวหนังหุ้มห่ออยู่ทท้งนั้นเองแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมองทะลุเข้าไปอยู่เรื่อยๆมองผ่าผ่าเข้าไปข้างในเปิดอกดูเปิดอกดูแลจะเห็นว่าโอ้ยมีแต่ปอดมีแต่หัวใจมีแต่ตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้พิจารณานี้ไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจะเห็นใครมันเห็นทะลุไปหมดอันนี้แหละั้งว่าแม้แต่แสงอาทิตย์ยังไม่สามารถมองทะลุผิวหนังได้ แต่แสงสว่างแห่งปัญญานี้มันเห็นได้หมดมันทะลุได้หดแสงสว่างแห่งปัญญานี่มีพลังมากกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์นีถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดึงให้คิดไปในทางปัญญาได้เราก็ต้องมาทําใจให้สงบให้ได้ก่อนเพราะการเจริญปัญญาที่แท้จริงนี้ที่จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงนี้มันต้องต่อเนื่องทุกเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องคิดไปในทางปัญญามาถึงจะทำกี่เลย พรว่ากิเลสมันคิดไปในทางกิเลสทั้งวันอยู่แล้วนี่คู่ต่อสู้เราก็ทํางานตลอดเวลาแล้วเรามาทํางานเพียงบางเวลานี่เราจะสู้เขาได้อย่างไรเราต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันหมุนไปโดยอัตโนมัติทุกเวลามองอะไรก็เห็นไปในทางปัญญาทางธรรมะถ้ามันเห็นอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่มีช่องที่จะผล่ขึ้นมาได้อาวิชาความหลงมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะผล่ขึ้นมาได้ ความคิดที่ว่าเป็นตัวเราของเรามันจะโผมขึ้นมาไม่ได้ความคิดที่ว่าร่างกายนี้สวยงามมันจะโผขึ้นมาไม่ได้ความคิดที่ว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆมันจะโผมขึ้นมาไม่ได้เพราะความจริงมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาคือเราเนิจังทุกครั้งนะจตะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยต้องไปงานศพสักครั้งหนึ่งถึงจะนึกได้โอ้เราจะต้องตายเหมือนเขานะพอสักวันสองวันต่อมาก็ลืมไปแล้ว กลับมาเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมเวลาใหม่ๆ่เห็นคนตายเนี่ยโอ้กินไม่ได้นอนไม่นอนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าจะจัดงานวันเกิดพอดีมีญาติป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งนั้นยกเลิกจัดงานเลยไม่มีกระติตกระใจจะจัดงานพออีกสักพักเดี๋ยวฝันเดี๋ยวใครมาจัดฉลองทีหลังแทนก็น่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้ามีปัญญาอยู่นี่มันจะไม่มีใจที่อยากจะจัดงานอะไรทั้งนั้นมันไม่หลงมันไม่มีความอยากจะหาความสุขจากของชั่วคราเช่นร่างกายนี้ดัง้นต้องต้องได้สมาธิก่อนถึงจะสามารถพิจารณาให้เป็นปัญญาได้ปัญญานี้ต้องเป็นปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่างที่พระเจ้าสอนท่าอนอนให้เราเนยกถึงความตายบอกพานอว่า ต้องรบลึกทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้ายังรำลึกเพียงแค่วันละครั้งสองครั้งสามสี่ครั้งนี่ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาลองบอกว่ายังประมาทอยู่ถ้าไม่ประมาทแล้วต้องรบลึกทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าเราลึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะได้ไม่เกิดความอยากที่จะอยู่ไปนา น, าน พอเราเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็อยู่ไปตามมีตามเกิดตาใจของเราก็จะเป็นสันโดษยิงถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรายิ่งไม่เดือดร้อนใหี่เมื่อมันไม่เป็นของเรามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแต่ตอนนี้เรายังไปยึดไปติดอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่เราต้องแก้ความหลงตัวนี้ให้ได้ถ้าแก้ได้แล้วทีนี้สบาอยู่กับร่างกายนี้เหมือนกับอยู่ร่างกายของคนอื่น ร่างกายของขื่นเป็นอะไรไม่เดือดร้อนร่างกายนี้เป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้คือการเจริญปัญญาของต้นนี้ต้องมีสมาธิก่อนแล้วก็เจริญปัญญาสลับกับเจริญสมาธิเพราะว่าเจริญไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะพุ่งได้มันจะหมดกําลังก็ต้องพักจิตกลับเข้ามาในสมาธิก่อนการปฏิบัติ พอเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วมันจะสลับการทํางานระหว่างปัญญากับสมาธิแต่เวลาขั้นเริ่มต้นนี้มันจะสลับทํางานระหว่างสติกับสมาธิเวลาเริ่มต้นนี้เราจะเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจสงบเราก็จะอยู่ในสมาธิพอจากสมาธิเราก็กลับมาจเจริญสติใหม่ก่อนทํานี้จะเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วอย่างชํานาญ อย่างนั้นเราถือถือถึงยังเรียกว่าเรามีสมาธิแล้วสั่งได้แล้วสั่งให้เข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้นั่งหลับตากําหนดเพียงสองสามวินาทีหรือสองสามนาทีมันก็เนิ่งแล้วไ mm. อ้ยังนั้นถึงจะเรียกว่ามีสมาธิอย่าไปกลัวคําที่คนเขาพูดว่าเดี๋ยวจะติดสมาธินะอันนี้ยังไม่ติดยังไม่มีสมาธิมันจะไปติดสมาธิได้ยังไง mm. แต่ถ้ามีแล้วชํานาญแล้วเข้าออกได้นั่งได้ตลอดเวลา เมื่อไหร่ก็ได้แล้วทีนี้เวลาออกมาไม่จเจริญปัญญาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดเสมาธิตอนตอนนี้ต้องฝึกเดินให้ได้ก่อนก่อนที่จะวิ่งไม่ใช่เดินได้สองสามเก้าก็จะวิ่งนะ ว, วิ่งก็ล้มเดินให้ทํางานก่อนให้เท้ามันแข็งแรงก่อนเมื่อแข็งแรงแล้วทีนี้เราค่อยวิ่งจเจรินสติก่อนให้ให้มีสติอย่างต่อเนื่องก่อนพอมีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ แล้วก็หัดนั่งบ่อยๆนั่งจนกระทั่งมันชํานาญพอเวลาอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยถ้าชํานาญแล้วบางทีไม่ต้องนั่งก็ได้ยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิหลับตาบางทีสั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดมันก็สงบได้ถ้ามันทําอย่างนั้นได้แล้วทีนี้ค่อยออกทางปัญญาได้ถ้าออกทางปัญญาแล้วทีนี้มันก็จะตัดกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยปัญญาอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติสติต้องมาก่อนสมาธิสมาธิต้องมาก่อนปัญญาการดับความทุกข์ต้องมาปัญญาต้องมาก่อนก่อนที่จะดับความทุกข์ได้ปัญญาต้องมาก่อนอาจารย์คะแล้เราเดินจงกรมคะก็เช่นเดียวกันการเดินยงกรมนี้ก็มีสองเป้าหมายเดินจงกรมเพื่อเจริญสติ เลยจะเดิ น, นโยมกลมเพื่อเจริญปัญญานี้อยู่ที่ว่าเราได้สมาธิหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่ได้สมาธิเราก็ต้องจเจริญสติเพื่อให้มันได้สมาธิก่อนก็คือเดินไปแล้วไม่ให้คิดทางปัญญาเลยให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปหรือว่าให้เราเข้าดูการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นให้ดูที่เทา้าก็จะกำลังก้าวเท้าไหนอยู่เท้าซ้ายเท้าขวาคือป้องกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้องสลับกันนั่งสมาธิใช่ไเดินจนกระทังมันเมื่อเมื่อนั้นก็ต้องนั่งใช่ไหมถ้านั่งแล้มันเมื่ อ, อ, อก็ลุกขึ้นมาเดินแต่การปฏิบัติก็เพื่อควบคุมความคิคคดเพื่อทําใจให้สงบอันนี้คือขั้นของสมาธิแต่พอเราได้ขั้นของสมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิเรานั่งมานานแล้วเราเมื่อยเราก็มาเดินจงกล ม, มแต่แทนนี้เราจะมาเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเท้าซ้ายเท้าขวาลุบทโฮพุทโธ เราก็มาพิจารณาร่างกายเราได้พิจารณาอาการสามสพิจารณาอาสุภาพพิจารณาว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นว่ามันเป็นเป็นตุกตาตัวหนึ่งใจเป็นผู้มามาอครอบครองเป็นสมบัติชั่วกราวเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองให้มองให้เห็นอย่างนั้นให้ได้จนปล่อยวางมาได้ไม่ทุกข์ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ อยู่คนเดียวไปอยู่ตรงไหนก็ไม่กลั ว, แ ล, วแล้วถ้าถึงขั้นไม่กลัวความตายแล้วจะล่อ ย, อยงไงคะอ๋ะอก็อต้องไปละความอยากในการมารมณ์ต่อมันต้องไปละความอยากความกลัวความเจ็บก่อนต้องนั่งสมาธิให้มันเจ็บปวดไปทั้งร่างกายแล้วปล่อยให้มันหายเองไม่ต้องไปขยับทันใจให้เป็นสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไป ถ้าอยู่ความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไงจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องวิ่งไปหาหมอไม่ต้องกินยาแค่ป่วปล่อยให้มันหายเองไม่หายก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินรักษามีธรรมโอสถนะครับ ม, มีเครื่องมือที่จะรักษาคือร่างกายนี้มันปล่อยมันมันก็หายเองได้ถ้ามันจะหายถ้ามันไม่หายก็ช่วยไม่ได้ก็ยอมตายแล้วไปกลัวทําไม ถ้าไม่กลัวตายแล้วก็ต้องไม่กลัวเจ็บต้องฝึกอยู่กับความเจ็บให้ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปขยับพยายามทาใจให้ปล่อยวางความเจ็บให้ได้อยากไปอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วจะไม่ทุกข์ใจที่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันกลัวความเจ็บมันไม่ชอบความเจ็บมันอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเกิดความรู้สึกอยาก่างนี้เรามันทนอยู่ไม่ได้มันต้องหัดชอบเลย ถ้าชอบมันแล้วมันอยู่ได้เหมืนคนคนกินพริกกับคนไม่กินพริกนี่คนชอบกินพริกนี่กินแล้วไม่เผ็ด อ, อร่อยแต่คนที่ไม่ชอบกินนี่กินแล้วทรมาร์มันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นเวลาเราไม่ชอบอะไรเราต้องอัชอบมันเพื่อใจของเราจะได้สันโดษจะได้พอใจถ้าเราแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้แก้ความกลัวเจ็บได้ แค่ความัวตาได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปแก้กามาลมเรายังมีความอยากในกามารมอยู่ยังอยากร่วมเสกกางกับคนนั้นคนนี้นอยู่เราก็ต้องพิจารณาอสุภะดูความไม่ช่วยงานของร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือนซากศกดีๆนี่เห็นว่าตอนนี้มันยังหายใจได้ถ้าเกิดเขาหายไม่หายใจแล้วเรายัางอยากจะไปนอนกับเขาด้วยกันมองให้เห็นว่า เป็นชาติศกไปเยี่ยมป่าชาดูเวลาก็ร้างป่าชา น, นี่ลองไปไปดูความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแนะ่แล้วคิดอย่างนี้บ่อยๆมองถึงส่วนที่เป็นหน้าขยะขยงมันก็จะดับการมาลงได้มองเข้าไปในตับไตไส้ทรงดูมองไปในสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ถูกขับถ่ายออกมาจาการ่างกายดีอันนี้มันก็จะรําดับการมาลงได้นี่คือปัญหาที่ติดอยู่กับร่างกาย เราต้องแก้เพื่อดาคือความกลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วก็ความรักไข่ในร่างกาย <irrelevant> เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามเราก็ต้องแก้อย่าไปเห็นว่ามันสวยงามต้องเห็นต้องมองในส่วนที่มันไม่สวยงามมันมีทั้งสองส่วนถ้ามองในส่วนที่สวยงามมันจะเกิดการมารมขึ้นมาถ้ามองในส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะดับการมารมเวลามีการมารมแล้วใจมันหงุดหงิด เศร้าสร้อยหงอยเงาว่าเหว อ, อยู่คนเดียวไม่ได้คนที่มีแฟนนี้เวลาไม่อยู่ด้วยกันนี่รู้สึกยังไง ม, มีคนหนึ่งสามีตายไปนี้โอ้โหทุกมากเลยโอ้ไม่เคยทุกอย่างนี้มาก่อนไม่เคยรู้ว่าความทุกเป็นยังไงมารู้ตอนที่สามีตายไปเนี่ยเพราไม่คิดว่าจะตายไปก่อนวัยนั่นเองอายุเพิ่งห้าสิบตายไปแล้วอยู่กันมาได้กันสามสิบปีมีความสุขกันมาตลอดพอตอนนี้ตายไปนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ อดคิดถึงเอาไม่ได้แม้แต่ที่รู้ว่าเขาตายไปแล้วนี่คือปัญหาของพวกเราที่เกี่ยวกับร่างกายถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วต่อไปร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเมื่อเราผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้เราก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องของร่างกายแล้วทีนี้เราก็ไปพิจารณาเรื่องของวใจเรื่องของจิตเพราะจิตเรานี้ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีความหลงอยู่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ยังมีความถือตัวอยู่ยังมีความนักความสุขอยู่ความสุขนี้ <Gust> มันก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงนั่นเองตัวตนก็ไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงอันนี้ก็ต้องเข้าไปพิจารณาอีกทีให้เห็นว่าความสุขใจนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงต้องปล่อยวางตัวตนก็ไม่มี ayudar. เป็นความหลงที่ผลิตขึ้นมา ก็ต้องปล่อยวางไม่ไปยึดติดไม่ถือตัวถือตนแค่จะดูถูกดูแฟนจะเหยียดย่มเราก็ไม่ไม่ไม่เดือดน้อนเพราะไม่มีตัวตนใจเป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนก็รับรู้ไปแล้วก็ด่าล้วรับรู้ไปว่าเขาดูถูกเราประทังนั้นเองถ้าเราเป็นแ น, น่นแน่นเป็นจาก็แสดงว่าเราหลงว่าเรายังมีตัวตนอยู่เรายังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ยังมีหน้ามีตามีฐานะอยู่ อันนี้เป็นตัวความหลงอัน น, อนี้มันอยู่ในจิตมันต้องผ่านร่างกายไปก่อนมันต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนมันจะเข้าถึงตัวนี้ได้เอาไปปฏิบัติดูถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็มาว่ากันเนยมาว่ามาเดีาย์จะขอทําเหมือนแบบคนมีกิเลสอยู่ ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนเราตายไปเนี่ยถ้าเกิดมีบุญมากหรือ่ามบามากถ้ามีบามากเกิดเป็นสายเรยาชาถ้ามีบุญมากจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดเรามีบุญเรามีสิทธิ์ได้เกิดเป็นมนุษย์โดยที่เรามีบุญมากแล้ว <ส è S 2> หลังจากนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยนะว่าเราจะเกิดชาติเกิดไปเป็นคนประเทศไหนเกิดเป็นเทพไหนหรือว่าเกิดเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนจนอะไรเงี้ย จากผลบุญที่เราสะสมมาคือเราเลือกไม่ได้หรอกกรรมบุญกรรมมันจะจัดสรรให้เราเองเหมือนกับเราไปสอบเอ็นทา น, นี่ผลคนแนนการสอบของเรามันจะเป็นตัวจัดสรรให้เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอันไหนเองขอให้เราทำมากๆมันก็จะได้มหาวิทยาลัยที่ดีถ้าเราได้คะแนนดีมันก็จะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้สิ่งที่เราอยากได้พูดง่าย แต่ถ้าเราทําไม่ถึงมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไปถึงเวลาไปเลือกไปชี้เอาใจเอาตรงนั้นตรงนี้มันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทําบุญมากมันก็จะได้ได้มากได้ได้สิ่งที่เราอยากได้มากเพียงแต่ว่าเราไปเลือกสถานที่ไม่ได้จะไปเกิดเป็นฝรั่งหรือไปเกิดเป็น อ, อนิกโกรอย่างนี้มันเลือกไม่ได้มันบางทีมันก็อยู่ที่จังหวะ เหอนกับเวลาเราไปขับรถหาที่จอดรถอย่างนี้เราไปเลือกที่จอดไม่ได้ตรงไหนว่างเราก็เลี้ยวเข้าไปจอดแหละถึงแม้ว่ามันจะเดินไกลหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีที่จอดบางทีมันก็อยู่ที่จังหวะบางทีมันก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำมันมีหลายหลายเพศหลายปัจจัยแต่แต่ที่แน่ๆก็คือบุญไมได้ร่างกายที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ต้องรับร่างกายที่ไม่ดีผ่านมาทางพ่อแม่แต่ถ้าใจเรามีบุญใจเราก็มีความสุขได้ใจเราไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายคนที่มีบุญนี้ใจจะเย็นใจจะอินจะไม่จู้จี้จุกจิกจะไม่วุ่นวายมากคนที่ไม่มีบุญนี้จะจู้จี้จุกจิกต่อยากได้นั่นอยากได้นี่ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุข คนบางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็ยังไม่มีความสุขเพราะจูจ้จี้จุกจิกไม่พอใจได้อะไรเขาไม่พอใจแต่คนที่ไม่มีความจู้จี้จุกจิกมีสันโดษมีใจที่สงบมากๆอย่างนี้เกิดเป็นลูกขอทานก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม แต่มันอย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องฐานะทางเงินทองหรือทางร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ดูทางจิตใจด้วยถ้ามีจิตใจที่สงบนี่เกิดเป็นลูกคนจนนี่ดีกว่าเพราะจะได้บวชง่ายถ้าเป็นลูกคนรวยนี่มีสมบัติมากพ่อแม่ไม่ยอมให้บวช <c oughs> นีหมว่ามุตการมีลูกเศรษฐีอยากจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชเพราะว่ามีลูกชายคนเดียว ถ้าบวชแล้วมไม่รู้จะให้สมบัติกับใครขอบวชพ่อแม่ก็แม่อนอยากให้บวชก็เลยต้องอดข้าวไม่ยอมกินข้าวเปในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องอ่อนใจยอมให้ลูกบวชมันแสดงว่าใจของเขามีความใฝ่ในการบวชใฝ่ใจใฝ่ในความสงบอยู่มากเคยทํามามากชาติก่อนคงเคยเป็นพระมาก่อนเคยบวชมาก่อนเคยปฏิบัติทำมาก่อนชอบความสงบมาก่อน อ๋มอมนีมันติดมากับใจเรา อ, อันนี้เป็นทำขั้นสูงนั่พยายามทําให้ถึงทำขั้นสูงให้ได้ให้เข้าสู่ขั้นสมาธิขั้นปัญญาให้ได้ขั้นทายกับขั้นสีนี้ก็ก็ดีแต่เพียงแต่ว่ามันยังได้มาแล้วใจมันก็ยังไม่พอใจได้อะไรมามันก็ยังหุดเหงิดลำคานใจได้ยังยังอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีอยู่ แต่ถ้ามีใจที่สงบนะมันจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากเท่าไหร่มีความยินดีมีความพอใจ<ม>งั้ต้องพยายามทาให้มากทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญา<ม>ค่อยๆทำไปแล้วมันก็จะขยับขึ้นไปเองทานก็ทำให้มากขึ้นอย่าเสียดายสมบัติข้าของเงินทอง ยาเงินไปซื้อความสึกต่างๆเอามาทําบุญดีกว่าเป็แทนที่ยาเงินนี้ไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญหรือว่าจะเอาเงินนี้ไปซื้อกระเป๋าใหม่ๆรองเท้าใหม่ๆทั้งๆที่เราก็มีรองเท้าอยู่เต็มตู้มีกระเป๋าอยู่เต็มตู้แล้วก็เอาเงินนี้ไปทําบุญดีกว่าไปบริจาคทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรสาธารณะ ประโยชน์ต่างๆก็ได้การคุศมนต่างๆเรอขอให้ทําให้แก่ผู้อื่นก็นลกันอย่าทําให้กับตัวเราเพราะทำให้กับตัวเราก็เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมามาเสพเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อกระเป๋าใหม่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่อีกใบละอย่ถ้าไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่อยากซื้อเอาเวลาเอาเงินไปทําบุญนี่มีความสุขใจมากกว่าเป็นคนหนึ่งที่เขาทุกข์เดือดร้อนแล้วเขา ได้ได้ผ่อนคลายจากความทุกขความเดือดร้อนมีความสุขนี้่ล้วก็มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเราจะเห็นว่าการทําบุญนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นพยายามอย่าเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะมันจะเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพกิดซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเงินมาทาบุญแล้วจะทำให้ใจอิ่มใจพอ แล้วใจจะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบทาร้ายผู้อื่นก็จะรักษาสินได้อย่างงไไ่ายดายคนที่รักษาสินไม่ได้เ็เพราะว่าใจยังไม่เป็นใจบุญนั่นเองใจยังอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้พออยากได้ก็อยากจะได้มาแบบง่ายๆวิธีง่ายๆก็คือทำผิดศีลโกหกหลอกลวงชอโกงอย่างนี้แต่คนที่ ไม่ไม่มีความอยากได้เงินทองจะไม่คิดจะทําอย่างนี้เอามัรู้จะเอาเงินทองมาทํำไมเอามาแล้วก็ต้องเอาไปให้คนอื่นถ้อาอยากไปให้คนอื่นก็เพราะมันมีมากเกินไปหรือมันมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปดิ้นลนอาจจะไม่มีวันที่จะไปหาเงินทองมาเพื่อมาให้คนอื่นให้เสียเวลาการทําบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาทําให้คนอื่น แต่การหาเงินหาทองนี้เพราะเพราะว่าเราต้องเราต้องดูแลตัวเองแต่การหาเงินหาทองอาจจะได้เงินทองมากเกินความต้องการของร่างกายถ้ามีส่วนเกินเราก็เอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นอย่ากเก็บเอาไว้เพราะมไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะกลายเป็นภาระทางจิตใจไปทำใไ้เราต้องมาห่วงมาห่วงกับเงินทองคนหวัหวงเงินทองก็ไม่มีความสุข เวลาเสียเงินทอาไปก็เสียใจแต่คนที่ไม่หวงในเวลาทำบุญไปนี่มีความสุขใจแล้วใจก็จะมีความเมตตาบาุณาก็จะรักษาศีลได้รักษาศี่ได้ใจก็จะเย็นใจจะสงบมากขึ้นก็จะทำให้เจริญสตินั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มันเป็นการปฏิบัติที่สนับสนุนกัน การทำบุญนี้อย่าทำเพื่อหวังให้ยังได้สิ่นั้นสิ่งนี้ทำเพื่อตัดกิเลสทำเพื่อตัดความอยากได้ทำไปแล้วจะได้ไม่อยากรวยเข้าใจไหมคนที่อยากรวยอย่างอย่ามาทำบุญเพราะมันขัดกันคนที่ทำบุญนี้อยากจะจนอยากจะมีเงินไม่น้อยจะได้ไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาวุ่นวายกับเงินทองจะได้มีความเมตตาจะได้รักษาสินได้นี่คือเป้าหมายของการทำบุญ เพื่อเราจะได้ตายขึ้นบันไดที่สูงขึ้นไปขั้นที่สูงขึ้นไปรักษาศีลได้ก็จะทำภาวนาได้อยู่วัดได้รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปได้ก็ทำสมาธิได้มีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาได้มีปัญญาก็จะดับความทุกข์ได้ไม่อยากทำเพื่อความนัํารวยหรืออยาทําเพื่อ ให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทําบุญกันทําบุญมันไม่รักษาร่างกายให้หายได้หรอกถ้าอยากจะรักษาให้หายต้องไปหาหมอไปฮะไปอยู่โรงพยาบาล<ม>การทําบุญนี่ไม่ได้มารักษาชีวิตให้ยืยิมให้หายให้อยู่ยาวนานแต่เป็นการผ่อนส่งร่างกายอันใหม่เหมือนกับไปดาวคอนโดหลังใหม่มบ้านหลังเก่ามันกำลังจะพังแล้วร่างกายอันเก่ามันจะพังแล้ว ก็ต <ítulo> <displayed, S 1> ้องต้องเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ต้องไปซื้อร่างกายอันใหม่การทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับผ่อนส่งร่างกายอันใหม่ตายไปจะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าเท่านั้นเอง แล้วก็ทําใจให้สงบทําใจให้ไม่วุ่นวายกับการพัดภาพจาักรับสมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราไม่หวงสมบัติเข้าของเงินทองเวลาตายไปจะตายอย่างสงบถ้ายังหวงยังหวงอยู่ในตายแบบวุ่นวายให้ใครเอาเงินของเราไปใครจะได้ไปนี่นปนพยายามจัดสรรเงินทองทั้งหลายให้มันเรียบร้อยแล้วเราจะได้อยู่อย่างสบายตายอย่างสงบ อย่าไปห่วงเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะทําให้เราอยู่ไปมีอายุยืนยาวนานได้รักษามันก็รักษาไม่ได้แล้วถ้าถ้ามันจะตายถ้ามันจะไม่หายจะให้ใช้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่หายรักษาไปตามอัตภาพตามตามธรรมดาเนี่ยมันจะหายมันก็หายเองมันไม่หายมันก็ตาย คนเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเอาความสบายใจดีกว่ะเอาความสุขใจดีก่ะอยู่อย่างไม่สบะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่วุ่นวายใจอยู่อย่างสันโดษ ย, ยินดีตามมีตา ม, ม, ตามเกิดร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันไปพอใจกับมันไปอย่าไปเกิดความอยากให้มันหายป่วยหายเจ็บเพราะมันเกิดความอยากแล้วก็เหมือนเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้ว่ว่าสมควรจะให้พอแลนะ้วจะดีเลย ยะถาวาเวาหาปุราริกตุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมังคิปเมวสมิจตุสัพเพเรนตุสังสปะยันโทปนาระโสยะถามะนิโชติระโยะถาสัพิติโยวิวัจจันตุ สัพะโรควินาโตมาเตภวัะวันตารายสุขีทีพายุโกภวะนาพิวาทนสีลิะนิจังมุทภาพะจายโนยตาโรธมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภะละ